Thank mm -hmm. you. มีเรื่องเดียวเท่านี้แหละที่เราจะต้องลำดับลำนำํามีความจําเป็นเหมือนกันเกี่ยวกับการบอกการสอนธรรมะอนอื่นสอนบ้างเราสอนตัวเราบ้างหลายช่วยตัวเองหลายช่องหลายทางโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติ การเจริญสติก็คือเอากายมาสร้างมาเป็นในมิตมาเป็นเครื่องหมายไม่ใช่คิดรู้คิดเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ความคิดรู้เรียกว่าคิดเห็นการสร้างการประกอบเรียกว่าพบเห็นให้มันเป็นของที่พบเห็นจึงจะเป็นปัญญา ใครคิดเห็นใครคิดเห็นก็ได้แต่ไม่จริงมันอยู่ไกลเกิดไปาคาตอบจากความคิดเอาผิดเอาถูกกับความคิดไม่ถูกเสมอไปวิธีปฏิบัติจึงไม่ได้สอนให้คิดอ่านจึงเรียกวิชานี้ว่าวิชากรรมฐานวิชาแห่งการกระทำให้ทำเอาแล้วก็เมกลาย เรากายมาเป็นวัสดุประกอบสร้างความรู้ไอ้มีความรู้อยู่กับกายมันเป็นของจริงกายก็มีอยู่จริงความรู้ก็มีอยู่จริงแต่ทีบทที่เรสร้างรู้เป็นคลั่งเป็นคลั่งอยากหลงพัดเข้าไปในความคิดบางทีความคิดมันก็รู้ก่อนถูกก่อนผิดก่อนบางทีมันพยายามที่จะหลอกเรา อย่ไปเอาอย่ไปคิดรูปทีมันก็รูปนะอยอย่างหลวงูเทียนสอนให้รู้จักรูปรู้จกักตามท่านก็เอารูปมาให้ดูเป็นรูปอยู่ในหนังสือออันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือรูปน้ำมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันมีน้มไหมแล้วก็บอกว่าไม่มีนาม ดับก้อนดินก้อนเห็นกันมาอันนี้เป็นรูปหรือเป็นอะไรรูปก้อนดินเมนานไหมมันไม่มีนานแต่เราคิดรูปไปมันก็รูปเราก็คิดรูปก็รูปไปก็บอกเพื่อนว่าหยุดก่อนหยุดก่อนจะเพืเ่อนปลความรู้จากความคิดหยุดหยุดยุดมันจะคิดรูปไปต่างๆหน้าๆกลายเป็นจินตญาณแล้วก็หยุด โอ้ไม่ไหวไม่ไหวมันรู้มากแล้วเนี่ยกลับมามาสร้างมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวโอ้นี่ไปเห็นเนี่ยกายที่มันเคลื่อนมันไหวไม่ใช่คิดเห็นไม่ใช่คิดรู้มันสัมผัสพลิกมือขึ้ น, นก็พลิกมือจิตยาที่พลิกมือก็มีจริงๆริงรู้ก็รู้จริงๆรู้แล้วจริงๆรรู้แล้วว่ามือเราตั้งไว้อยู่ ยกมือขึ้นกับลูบแล้วว่ามือเรายกอยู่โอ้ลูบเป็นข้างเป็นข้างไปกับรูปแบบสิสจังหวะลูบไปลูบไปเอามาเอามาก็กลายเป็นภาวะที่ดูเป็นภาวะที่เห็นเห็นการเคลื่อนเห็นการไหวของมือ ờ, เอามาเอามาก็เห็นการเคลื่อนการไหวของกิตที่มันคิดการเคลื่อนไหวของกิตที่มันคิดก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่เราไม่ไปใช่การเคลื่อนไหวแบบนั่นเป็นการสร้างนามาสร้างโดยการเคลื่อนไหวของมือแต่มันเคลื่อนไหวคือเกิดจากความคิดเราก็ไม่ไปกับมันเราก็กลับมาไม่คอยจ้องที่จะเมื่ อ, อไรไม่จะคิดเราจะได้รู้มันก็มนไม่ถูกอีกแล่ะความคิดไม่ต้องไปรอไปคอยไปหาไปจ้องว่าเราจะพ่อประตู้อกเป็ดคอกไปที่ที่ปิดแล้วว่ที่เปิดออกเดี๋ยวมันจะออกมา มันก็ไม่ต้องไปคิดมันจะคิดขึ้นมเองให้มันเห็นจังๆเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยถ้าเห็นจังๆเนี่ยมีประโยชน์มากมากถ้าครึ่งหลงขึ้งลู่จะไม่มีประโยชน์ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันก็จะหลอกเราไปอีกเรื่อยๆเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นแล้วยิ้มไวลึกๆรู้สึกว่ามัน ได้ได้หล <sk iller> ักก็ว่าได้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกายจากจิตเป็นเป็นอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายกับจิตเช่นมันปวดเราก็เห็นเด็กแล้วไม่ต่างกันกับเห็นความคิดไม่ต่างกันกับเห็นการเคลื่อนไหว้ผมรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องผม ป, ปวดความเมื่อยก็เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตความร้อรนความหนาวมันเกิดขึ้นกับกายกับจิต ความหิวมันเกิดขึ้นกับกายกับจิตความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตลักษณะของผู้สร้างสติกอยเห็นเห็นเห็ น, นลักษณะที่เห็นนี่เหมือนกันกับเห็นการเคลื่อนไหวของกายเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวของกายเหมือนกันความร้อนความหนาวเนี่ยมันเป็นอาการที่มัเนมเกิดขึ้นเลยว่าอาการแบบนั้นเราไม่ได้เจตนามันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็เห็น การเคลื่อนไหวที่เรายกมือ14บจังหวะนี้เราเจตนาอันนี้ต้องรู้แน่นอนอันที่มันเกิดขึ้นจากรี่บทอื่นอื่นบางทีนั่งอยู่เฉยๆยกมือไปจับไม้ยกมือไปโ น, น่นไม่ได้เจตนาก็รู้เหมือนกันก็สอนตัวเราเหมือนกันไม่ใช่จะยกมือไปสม 4, สี่สมห้าลำดับลำำํานําการฝึกตนนี่จับเงื่อนจับไข่ อะไรที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยพอหัดไปหัดไปบางครั้งบางคราวมันก็ทำให้เราฝึกหัดไปหลายหลายอย่างการเจริญสตินี่ฝึกหัดกายกายก็ไม่มากมายหลายอย่างฝึกหัดจิตจิต ก, ก็ไม่มากมายหลายอย่างคอยจับรูคอยจับรูจับเห็นมันคอยดูที่มันจะแสดงออกมา บางอย่างมันแสดงออกมาก็ยากต่อยเช่นความง่วงเอาเ h a r นอนบางทีเราก็ไปเกี่ยวกับความง่วงไม่เป็นก็กยากหน่อยถ้าเราทําเป็นเกี่ยวข้องเป็นมันก็ไม่ยากความง่วงนะเป็นมันเกิดขึ้นมาทีไรเราก็เข้มแข็งตรงนั้นเข้มแข็งตรงนั้นอย่าให้ความง่วงมันครอบงำถ้าจะเลินตามองไปไกลๆมองท้องฟ้ามองก้อนเมฆ มองทิศ ต, ต่างๆมองยอดไม้ทำความรู้สึกกลับมากาหนดมือเคลื่อนมือไหวทำความรู้สึกว่ามันเป็นกลางวันทำความรู้สึกว่ากลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางคืนจึงเป็นเวลานอนอดโต้มันไปโต้มันไปก็มาสร้างสติยกมือสร้างจังหวะมันยังง่วงอยู่ก็ลุกขึ้น ด้วยความเยิ่มเยี่ยมแจ่มใสไม่ใช่อ่อนเพลียเข้มแข็งในความเข้มแข็งเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้เป็นอาการในวรรธรรมเป็นภูเขานะพระพุทธเจ้าคงพบอาการเช่นนี้เกิดขึ้นกับพระองค์เหมือนกันจนพระองค์เลยตรัสว่าภูเขาโลกแรกอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุพลั ง, งความดีเถนะมิถะภาษาบาลีแต่ว่าบ้านเราก็คือความง่วงเผาเอนอน บางทีมันก็มีกลุ่มของเขาเป็นพลังที่จะทำให้เราพ่ายแพ้ได้กดจักุกกดจัะกุกกดจอดความคิดเหมือนกับไก่เขี่ยกุกกุกคือไก่ความคิดเหมือนกับไก่เขี่ยมันก็มาร่วมทางอีกทำให้เราหลงหรือบางทีก็เกิดพยาบาทล้ำหลับเพลินไปสิปี20ปี อาสาทะหรือสาธะกับเรื่องใดอาสาธะคือไม่พอใจเรื่องใดบางทีมันติดมาด้วยมันจะมาฉายให้เราดูเวลาเราปราลบความเพียรหรือสาธะความพออกพอใจเรื่องใดที่ผ่านมามันก็มาฉายอาจจะคิดเห็นหน้าคนรักอาจจะคิดเห็นสิ่งที่ชอบใจเสียงเพลงเสียงอะไรดนตรีมันก็มีสาธะพอใจ แล้วก็พยาบาดพวกนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็โล่โล่ครั่งที่หนึ่งอาจจะไม่ชัดเจนถ้าเราตั้งไม่ถูกมันเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเน่ยมันจะเห็นชัดอย่างน้อยมันก็หลอกเราไม่ได้ถึงร้อยคลั่งพันหน อ, อาหานอนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทําให้แฉื่อแจ้ง ขณะที่อาการต่างๆเกิดขึ้นนอกจากการเจริญสติไม่ทำให้แ่มแจ้งมันก็หลอกหลอกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดต้องทำให้แจ้งมันก็หลอกไม่ได้มันกลัวความแก้งความหลงความมืดมันก็โจรผู้ร้ายมันกลัวความแจ้งมันชอบความมืดเพราะมันจะหลอกมันทำให้ม่วงมืดแล้วมันก็หลอกมันคิดติดมืดเต็มก็หลอกไป กลายเป็นตัวเป็นตนไปนกับอาการต่างๆะอะไรกลายเป็นเรื่องอยากปวดหลังปวดเดี่วก็ยากคติมชิดก็ยากเกิดยานหอบเสือ่อหอบกระเป๋ากับบ้านก็เป็นอะไรก็ยากอะไรก็ง่ายไปถึงความยากไปถึงความง่ายเป็นแดนหนึ่งมันกันนะสู้ไว้ได้เมื่อมันยากที่ไรก็เป็นเรื่องที่เรายากเสียแล้วแต่ถ้าเราจเรจริญเศรษฐีเก่งๆนะ เห็นความยากเห็นความง่ายเห็นความสุขเห็นความทุกข์นี่สบายเลยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพุทธเจริญสติถูกทิศถูกทางต้องเกิดอาการเห็นบางทีทำตรงนี้ไม่ถูกต้องเวลามันทุกข์ก็ทุกขกินแหละบอกว่าให้เห็นมันทุกข์ก็ยังเป็นผู้ทุกข์อยู่มันทุกข์ โดนหน้าตากบ็บูรธเวิ่งตึงเครียดมันก็ไปเจอความทุกข์ความทุกข์กครอบงำพิกล็อกนิดหน่อยพลิกล็อกนิดเดียวก็กลายเป็นวลุธทธำตรงนั้นก็ได้เห็นความทุกข์กระทูความทุกข์มันถูกหลอกทําให้เป็นทุกข์แต่เรามีสติจะเห็นว่ามันทุกข์เพราะว่าเห็นว่ามันทุกข์เนี่ยมันจะเกิดฌานตรงนี้ได้เหมือนกัน อย่างลูกเห็นทุกข์ไม่ใช่ของเลวทรามเห็นทุกข์เป็นของดีอันประเสริฐเห็นของจริงอันประเสริฐแต่บางคนทํี่ยทตรงนี้ไม่แก้งก็กลายเป็นคนผู้ทุกข์ไปเลยามความเพียรก็โดยความทุกข์ความยากความลำบากถือว่ายากไปเสียแล้วเอาจริงๆนะ่ไม่ได้ยากทนำะความเพียรการเจริญเสถียไม่ได้ยาก ก็ออกมาเหนือความยากขี่คอบนความยากความยากไปถึงไหนแล้วก็ขี่คอมันความง่ายไปถึงไหนก็ขี่คอมันความทุกไปถึงไหนก็ขี่คอบนความทุกถ้าเราดูนะมันไปไม่รอดถ้าเราเห็นนะถ้าเราไม่เห็นนะ่ะมันจะหลอกไปเรื่อยๆภาวะการเจริญสติเนี่ยแล้วก็อริบทตเนี่ยมันช่วยเราได้ สำหรับผู้ยังไม่มีอารมณ์กรรมาฐานเบื้องต้นอาศัยการเคลื่อนไหวลำดับลำนำถ้าผู้มีอารมณ์กรรมาฐานรู้จักลูบรู้จักน้ำก็อบอกอยู่เนี่ยให้ดูอาการเห็นลูบเห็นอาการของลูบเห็นอาการของนาำแม้วังคนอาจจะไม่เห็นลูบเห็นน้ำก็ตามมันก็เห็นแล้วแหละแต่เรายังไม่รู้เราเห็นลูบเห็นน้ำเรามีศีลเราไม่รู้เราไม่มีศีลแต่ศีลก็ช่วยเราอยู่เรายังไม่รู้ เรามีเสน้นก็มีเหมือนกังนั้นจึงปฏิบัติทำกันไปมันไม่ถูกมันไม่ผิดหรอกถ้าเรามีสติเนี่ยจะแปลวาผิดจะแปลวาถูกมันเป็นภาวะที่ดูเข้าไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเข้าไปเลยไม่เป็นเลยรู้ไม่ได้อยู่ภาวะที่อยู่ดูเลยไม่ได้ไปอยู่กับอะไรภาวะที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกับอะไรรู้แต่เพิ่งตะเพื่อเคลื่อนไหวก็เป็นการดู เหมือนกับตายิ่งเคลื่อนไหวถึงเห็นการเคลื่อนไหวก็ยิ่งสว่างตาคมเข้าไปเมือนเราดูอะไรเราจำนี้จานา้นเรื่องบ้านเรื่องเลือนของเราไปไหนมาเนี่ยตาเรามันคมพอดูปับก็โลแล้วว่าเหมือนตาหลวงพ่อนะวันหมอประสาทรับมาพอเดินขับรถผ่านหน้าวัดก็มองเห็นต้นไม้โอแสดงว่าต้นไม้มันขาด น, าน้ําเนี่ยมันจบไปแล้วตามันคม ตอตนม้ยมันขาบน้ำเราก็ต้องให้น้ำตามันคมการเจริญสติเนี่การเห็นบ่อยๆการเห็นบ่อยๆมันคมนะตาเห็นลูกเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นอาการต่างๆกาเห็นเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถูกต้องไม่ได้ไปเสียเวลาเห็นเวทนาไอ้มันปวดมันเมื่อย ก็ เ, เห็นอย่างถูกต้องแล้วเห็นแล้ว เ, เห็นแล้วอย่างถูกต้องแล้วเวทนามันก็เป็นอย่างนี้บังทีอาจจะขอบคุณเวทนาที่เขาแสดงออกมาถ้าถ้าสมมติถา้าร่างอยู่สองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เคลื่อนไหวยังไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกต์มันปวดนก็เห็นเป็นเรื่องเบาๆถ้าเห็นแล้วนะเบาๆกว่าภาวะที่เป็นถ้าเป็นผู้ปวดเว้ยจะต้องอดต้องทนไป แต่เพื่อนเขายังไม่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหรือโอดเอาทนเอาเป็นผู้ปวดเป็นผู้เก็บเออมันก็เก็บมากกันแต่เราเห็นเลย ก, ก, ก็กลับมาดูกายเพื่อนว่าเออเห็นแล้วในฐนาก็ขอบคุณมันมันปวดมันเมื่อยมันเป็นความถูกต้องของเขาความถูกต้องของเขาที่สุดที่เขาปวดเขาเมื่อยเรานั่งทับขานั่งนานเกินไปนอนนานเกินไปเดินนานเกินไปยืนนานเกินไป นะวิธีที่เราทําพวกเราทํานี่ใช่สองอริบทแต่บางแห่งที่เขาทำเน่ยใช่ทุกอริบทนะวันทีก็นอนแข่งขันกันวันทีก็ยืนแข่งขันกันยืนเป็นครึ่งวันก็ไม่บางคนยืนสํานักวัดท่าโคตอาจารย์ธรรมธโลเนะี่ยยืนเป็นครึ่งวันก็ไม่ กะรือวดวางอย่างไม่จําเป็นลู่สึกตัวขนาดที่เท้าเหยียบเดินลู่ยืนลู่ยืนลู่ยืนไม่จําเป็นถึงเกิดไปยืนเดินขนาดดืนนานขนาดนั้นเราต้องขยันลู่กระรืที่ลู่ลู่เอาลู่เอาแบบนี้จึงจะมากพลิกมือสิบสี่จังหวะลู่สิบสี่ครั้งแล้วแต่ไปยืนไม่ลู่จะนับตรงไหนลู่โลู่ลู่ มันไม่ออกตัวมันไม่ออกไปดูว่าจะอยู่กับการยืนอนะวิธีที่เราทำจึงอาศัยอนิยบทเนี่ยเป็นการเจ็บเอาความรู้เป็นการเจ็บเอาความรู้ไม่รู้อะไรก็ตามให้มันขยันรู้ไปอย่างนี้ความรู้ที่เรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมไม่ใช่รู้แล้ว แ, แค่นี้นะมันก็รักความชื่อมันก็ทำความดีมันมีสติมันเป็นอย่างนั่นอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นอาการต่งตางเห็นความคิด ต่างกันกับความรู้ที่เราทำอยู่เห็นความหลงต่างกันกับความรู้ที่เราทำอยู่มันเป็นอย่างนั้นการเจริญสติเนี่ยบุไดปฏิบัติก็อันเดียวกันเพาว่าที่เห็นความคิดก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าที่เห็นเวทนาก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าที่เห็นธรรมก็เห็นเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นเห็นอันเดียวกันพบเห็นอันเดียวกันถ้ามันเกิดเวทนาเกิดขึ้นกับเรา คนอื่นก็เห็นเหมือนกันกับเราเห็น <K ll un movimiento> ก็เป็นของอันเดียวกันความคิดที่เกิดขึ้นกับเราเวลาเราคิดกันว่าความคิดที่เกิดขึ้นคนอื่นก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายว่าเราคิดมากว่าเราไม่คิดไม่มีตัวเม่ตนอยู่ตรงนั้นไม่มีตัวเม่ตนไปอยู่ตรงไม่สําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นสุขว่าเราเป็นทุกข์ว่าเราคิดมาก ว่าเรากังวลว่าเราเครียดมันจะเสียเปรียบเพื่อนตรงนี้นะถ้าเราคิดก่อนต้ว่าเราคิดไม่เหมือนเขาไม่ใช่แสดงว่าพลาดไปแล้วเราไปเชื่อกับโลกสิกตัวเนี่ยไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยถ้ามันเครียดเห็นมันเครียดไม่พลาดถ้าเป็นผู้เครียดก็พลาดไปแล้วหยุดเสียแล้วถ้าเดินทางก็หยุดไม่ได้เดินไปกับเพื่อนแล้วต้องถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีก รือว่าประมาทผู้ไม่ประมาท ต, ตื่นอยู่ในเพื่อผู้อื่นหลับหมายถึงว่าฉันสมมุติว่าเราเห็นเวทนาเนี่ยวางคนนี่เป็นผู้ปวดเป็นผู้มื่อยคนนั่นหลับแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติเขาเห็นเวทนาเป็นสักว่าเวทนาและแสดงว่าตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนว่าที่มีฝีเทวดี ละมาที่ไม่มีกําลังเหุ่นั้นอปมาโตรปรมัาเตสุสัตเตสุเผ่าชาคาโลอภาระสังว ส, สีคัสโอยาติสุเมธาโสแสดงว่าเราเดินไม่ทันเขาถ้าเราเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแต่เราเป็นผู้เครียดถ้าเราเป็นผู้ง่วงแปลว่าอปมาโตรปรมัาเตสุเขาก็ไปไกลเสียแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นวันหนึ่งของเราอาจจะเป็น นาทีของเขาไปมัวแต่ไปสุขไปทุกข์มัวแต่ไปเป็นอะไรอยู่ใ น, ในกายในเวทนาในจิตในธรรมวันหนึ่งเราทำเขาอาจจะทำครึ่งชั่วโมงก็ได้มันจะคล่องตัวต่างกันตรงนี้ด้วยมันจะต่างกันตรงนี้มัวแต่หมกผุ่นค้นคิดแต่ลาความคิดเกิดขึ้นไม่รู้จักมีสติไม่ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปหลงอยู่กับความคิดของตนเองถือว่า เกลียดข้านเสียแล้วแต่บางคนพอมาคิดขึ้นมาโลบปั๊บแสดงว่ามีความเพียรเสียแล้วแม้เรานั่งอยู่ด้วยกันเดินอยู่ด้วยกันแต่มันค่นคิดในลมที่พ่น ค, ค, คิดพ่นคิดไม่รู้จักสละอารมณ์ที่คิดนั่นออกไม่มีสติแสดงว่าบุคคลนั้นยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามเพราะว่าบุคคลนั้นเกลียดข้าน สำหรับบุคคลที่เวลาใดมันคุณคิดในลมที่คุณคิดเธอไ ม, ม่สติสลัดกองคิดออกรู้สึกตัวแสดงว่าปลาโลกควมเพียรตรานี้ก็พยายามให้ข้อมูลกับตัวเองดีๆ ด, ดูรายละเอียดดูแต่ไม่ใช่ไปคิดน ะ, ะระวังจนเกรงไปหมดก็ไม่ใช่นะระวังไม่ใช่นะปฏิบัติเป็นของไม่ต้องระมัดระวังอะไรเปิดเนื้อเปิดตัวอะไรมันจะเกิดขึ้นมามันเกิดมา ถ้าจะดูมันอยู่นี่แล้วเลาใตาเนี่ยพ่อบ้านมะนอาอะไรมันจะมาคนพ่อบ้านเนี่ยมันก็จะต้องเห็นสิ่งที่ขึ้นมาบนบ้านเห็นหมาเห็นไก่เห็นไก่ก็ได้ไล่ไล่ไก่เห็นหมาก็ได้ไล่หมาไม่มีใครถ้าคนพ่อบ้านเห็นหมามากินข้าวสารมาต้องไล่หมา การไล่หมาไม่ให้จิ้งข้าวสารเป็นเรื่องดีเป็นความรับผิดชอบของคนพ่อบ้านเห็นไก่มันขึ้นมามันจะไปจิ้งข้าวสารมันเคยจิ้งข้าวสารก็ได้ไล่ไก่ไม่ให้จินข้าวสารก็ว่าได้ทําในสิ่งที่มันดีของคนพ่อบ้านทําหน้าที่อย่างดีงเราสอนลกูกสอนหลานตัวเล็กๆีหลานเราก็รู้จักไล่ไก่ ทีแรกก็ไม่ได้มันไม่ไรู้จากไร่เราก็บอกไไล่ไก่ไปไล่หมาหลานเราในน้อยก็ไปไล่ไก่ไปมาไม่ต้องไปบอกมันก็ไปไล่หมาไล่ไกล่ลงจากบ้านเองมันก็ทําเป็นการปฏิบัติทำนี่การสอนตัวงก็เหมือนกันทีแรกก็ทําไม่ค่อยเป็นหรอกทําไม่ค่อยเป็นบางทีเป็นนั่งจับไม่เรียวอยู่มันก็ไม่ถูกต้องแสดงว่า ไม่ได้สอนหมาเวลานั่งอยู่หมามันก็ไม่มาไม่ได้สอนมันเลยแต่เวลาเรานั่นอยู่ในที่เงียบๆหมามันมาแล้วได้ไล่มันเนี่ยเราได้ฝึกตัวเราทั้งได้ไล่หมาหมาเมื่อถูกไล่มันก็รู้เหมือนกันะความคิดความหลงความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันถูกลูกบ่อยๆมันก็ถูกสอนมันบ่อยๆมันก็อายเหมือนกันความโกรธมันอายความหลงมันอายความทุกข์มันอายอายกว่า อันอื่นด้วยซ้าไปง่ายที่สุดถ้าเราทําถูกง่ายง่ายเราปั๊บมันก็หายปับไปแล้วมันง่ายหรอกแต่เชิดว่ามันยากอะไรอันเร่าความชั่วเป็นเรื่องที่ง่ายการทําความดีเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ได้ทวนกระแสจนเหงื่อไหลใคร่ย่อยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี มักผลในผานก็ดีเหมือนทะเลลุ่มลึกลงไปลึกลงไปเอียงลงไปลึกลงไปลึกลงไปมันง่ายนะเหมือนน้ำทะเลมันมันลึกลงไปลึกลงไปนิพพานเหมือนกับก้นทะเลมันเอียงลงไปแบบนั้นเอียงไปไหลไปสู่มากสูผนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มันขึ้นฝั่งเปลียนป่ายขึ้นหน้าผาไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่แบบเั้่งเด็กขาดการปฏิบัติธรรมมันเอียงไปมันไหลไปสู่มรรคผลนิพพานความทุกข์เพื่อให้เกิดมากเกิดผลเมื่อเห็นความทุกข์เอาเอียงไปแล้วเอียงไปแล้วพอเราไล่หมาหมามันก็ไม่มาอีกแล้วเมื่อเราถูกไล่ตัวเราเนี่ยจะสอนง่ายกว่าหมาสอนง่ายทั่วหมา เดีหลวงพ่อไปไล่หมาทั่วเขาให้มันนอนอยู่โต๊ะหน้าศาลาหน้าแล้วก็เมน่นมันนอนอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนไม่มีใครไล่มันนอนพระเดินไปก็ไม่ค่อยไล่โยมเดินไปก็ไม่ค่อยไล่หลวงพ่อก็โอ้ยไม่ได้ดอกเธอตรงนี้ตรงที่วางทีเขามานั่งฉันเช้นั่นมีคนญี่ปุ่นไปนั่งทานอาหารที่นั่นด้วยยังเมน่นเม่นอยู่โอ้ยเป็น ไ, ไงน้อเดี๋ย เราไปก็ไปนั่งลอยหมาเต็มไปหมดไี่นั่งไม่ลอยหมาวนโต๊ะก็ไม่ลอยหมาเราก็ไปไล่ข้างที่หนึ่งมันก็ยังไม่หนีดอกมันก็นอนอยู่ไล่ข้างที่สองเห็นที่ไรก็ไล่ทุกที่เห็นที่ไรก็ไล่ทุกที่แต่เนี้ก็ไม่นอนแล้วถ้าเราไม่สอนมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วความหลงถ้าเราไม่สอนมันเราไม่รู้มันก็จะหลงมาเป็นไอ้กีนเราจะดีตอนที่เห็นมันหลงเนี่ยเราได้รู้ได้สอน ว่าเราเดินไปสาราหน้าต้องดูโต๊ะตรงนั้นถ้าเห็นหมาก็ไม่ทํามันตื่นแล้วต้องไปไล่หมาก่อนไม่ให้มันฟรีหน้าที่ที่จะสอนหมาแล้วก็สอนมันได้แล้วแต่ก่อนนี่ตีละครหมามันหอนโ oh, อ้ยเออหลวงพ่อทำมอยู่สาราไก่นะแล้วตีละครสาราไก่มันมีละครไอ้เจาหนมในเวลาตีละครงท่าไรหมาหอนหพ่อเขาสอนหมาไล่มัน บางทีก็ถือโอกาสเวลาเพื่อนตีรังคังหลวงพ่อ ก, ก็ได้ ก, ก้อนอิดก้อนดินอะเรๆกน้อยมัเพราะมันหอนมากกว่าข่วงมันมันก็เล็กดเดี๋ยวนี้ไม่หอนแนละตีข้องกอนกันนะสอนมันก็สอนได้นะแ้าเราไม่สอนมันก็แฉะพวกมาก็เนะตีข้องกัหอนตีรังคังก็หอนโอ้ปล่อยมันหอนอย่างนั้นเหรต้องสอนมันไม่ต้องให้มันหอนเออสอนได้บางที ตัวเราเนี่ยเหมือนกันมันมีอะไรเกิดขึ้นโน้มมันเห็นมันอย่าให้มันเอาไปกินฟรีอย่ให้มันเอาไปกินฟรีฟรีความหลงเอาไปกินฟรีลอยนวลเหมนเขาเขียนรูปไว้ที่วัดโมกผมก็จะขอเขามาเออภาพเนี่ชอบมากมากเขาเขียนรูปหมาน้าลายไหลสุรุยสุไลเขาก็เขียนว่าอย่าปล่อยให้กินเลส เขาทำเป็นรูปหมากิเลศเขาทำเป็นรูปหมากิเสรีว้มันลื่นมันนี่โหเลดตัวลอเหมือนขาเหมือนตัวมันลอยกิเลศสอสเสือนี่ยเป็นหางไปเลยเป็นรูปหมาเขาเขียนนะ่ะโอ้ชอบอย่าให้กิเลศกิเลศเขาเขียนเป็นรูปหมาลอยนวลตัวหนังสือต่อไปอย่าปล่อยให้ตัวหนังสือนะ กินเล็เป็นลรคหนะัลอยนวล น, น่าซึ่งซึ่งใจที่สุดเลยลอยนวลจริงจริงกินเล็กมันโกรธก็เอาไปกินฟรีๆมันทุกข์ก็อาไปกินฟรีๆมันเศร้าหมองก็ไปกินฟรีๆต้องรู้มันรู้มันรู้มันเอาพูดเล่นๆแดงนี่แหละเบาๆสมองไม่ใช่คึงเคียดปฏิบัติธรรมยิ้มตลอดเวลาก็ได้อนะที่มันตลอดเวลา ยกมือสั่งกันว่าอมาอทําดีนี่ไปทุกทําไมไปยากทําไมแต่ไปนั่งสุบุรีนั่นเออตรงหน้าบวชน่าเบิงโอ้ยอเอ๋บ่าเฮ้ยมานั่งสุบุรีทำไมด้วยเจอว่ามันของชั่วไหมแต่ว่าเขางไอ้ลูกก็ไปยิ้มไม่ร้ายสุบูรีแทนที่จะด่าตัวเองไอ้ชาติหมาไอ้สุบุรีขอเงินไปแล้วขอเงินยังดีกว่าเอาบุรีมาฆ่บ เสียแต่เงินมันไม่ได้เสียสุขภาพอันนี้เราทำความเพียรเนี่ยยิ้มได้เลยไม่ต้องไปกลัวเลยถูกต้องแล้ว